สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับและเป็นเสียงจากอิสราเอลวันนี้เราอยู่ในชุดเปโตยชูตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับอิสราเอลวันที่ห้าแล้วนะครับพี่น้องครับเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเกินนะครับผมได้จากพี่น้องจากเมืองไทยมาที่อิสราเอลเพื่อที่จะทําการนําเป็นผู้แปลนะครับการบรรยายของรายการเดินตามรอยพระบาทพระเยซูนะครับให้กับศรีบาล ของเลขาจากสภาเลขาจากในประเทศไทยนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่ห้าสิ่งที่เราไปดูตั้งแต่เช้านะครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันที่ฝนตกครับการพยากรณ์อากาศของอิสราเอลมี่ถูกต้องร้อยปอร์เซ็นตนะครับก็คือมีฝนแล้วก็ตกแรงเช่นวยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนี้พี่น้องของเราสองท่านนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับ เราก็ยังให้พี่น้องสองท่านที่ป่วยอยู่ยังนอนอยู่ในห้องของโรงแรมนะครับเขาก็เริ่มทานอาหารได้แล้วก็ไข้ก็เริ่มลดลงม้ามที่โตนะครับก็เริ่มที่จะไ ม, ไม่ปวดน้ำแล้วนะครับพี่น้องครับในวันนี้เร า, เ, าเดินฝ่าผลไปนะครับไปที่อัปปรุมนะครับอัปปรุมแล้วก็ไปที่ชูสานกษัตริย์ดาวิดด้วยนะครับหลังจากนั้น เราก็ไปกิดใจในที่ครับผมจะนำพี่น้องให้ได้มีโอกาสเดินไปกับเรานะครับเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ที่ที่เราไปนั่นก็คืออัปปรุมนะครับเป็นสถานที่แรกอัปปารุมนั้นคือห้องแทนบนที่หลายๆคนรู้จักในชื่อของหนังสือดี v วอชั n นหรือหนังสือเฝ้าเดียวตอนเช้าครับ ในโปรเจนักระเจ้นี้ห้องชั้นบนได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่บหกข้อที่สิบเจ็ดถึงข้อที่ยีสิบเก้าและกิจการบทที่สองข้อที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดนะครับเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณน์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญมากในห้องชั้นบนนี้เหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกครับเป็นการตั้งพิธีมหาชนิต ศ, ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นอาหารหมื้อสุดท้ายนะครับ และเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นเหตุการณ์ที่สาวกได้รับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ในวันเป็นแท็กเตะนะครับซึ่งอยู่ในพัฒนากิจการทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากแต่เกิดอยู่ในห้องเล็กๆนะครับก็คือห้องชั้นบนห้องชั้นบนที่เราไปดูนั้นเป็นห้องชั้นบนที่คาดว่านะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นห้องที่น่าจะเป็นสถานที่ที่พระเยซูได้ทรงตั้งพิธีปัสกา และเป็นสถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในโลกนี้เป็นการเปิดฉากที่ระดับอย่างเป็นทางการนะครับเราแลได้เห็นนะครับว่าสองพิธีใหญ่ๆของคนยิวนะครับและพิธีของคริสเตียนก็คือพิธีปัสกาและในการเดืดกันพิธีใหญ่ๆของพวกยิวก็คือวันเพเนคอสนะครับเราก็เห็นจุดเริ่มต้น ของพระเจกรอย่างเป็นทางการคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พนั่นครับตรงนี้นี่เองทำให้เราทั้งหลายได้เห็นบกเรีนฝ่ายวิญญาณครับว่าในห้องชั้นบนเล็กๆแต่ว่าสามารถทำการใหญ่เพื่อพระเจ้าไดา้ไม่ว่าจะเป็นพิธีมหาเซนศักซิสหรือว่าพิธีปัสกาครับของคนยิวแล้วก็วันเพนเทคสเตซึ่งเป็นวันเฉลมิมฉลองหรือทางอนะครับ เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวของคนยิวนะครับก็คริสเตียนก็ได้รับข้อมูลอย่างบริสุทธิ์นครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่สุสานดาวิดซึ่งอยู่ใต้ห้องชั้นบนนะครับสุสานดาวิดนั้นอยู่แถวๆนั้นสามารถเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างครับเราจะเห็นว่าเป็นที่ที่ฝังนะครับเชื่อกันว่าฝังร่างของกสัตว์ดาวิดนะครับอยู่ใต้พื้นนี้ แต่สิ่งที่ประทับใจก็คือว่าประทับใจภาพของคนยิวครับที่รักพระเจ้ารักพระโอษะของพระเจ้าก็คือพวกออร์โดดกยิวนะครับออโดดกยิวพวกยิวนี้จะใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานอ่านพระโอษะของพระเจ้าเมื่อเราลงไปที่อุโมงค์ฝังศพของกษัตริย์ดาวิศนะครับหรือว่าสุสานกา็ัตริย์ดารวิศนั้นก็เห็นพวกเขาเนี่ยนั่งอ่านพ ร, ระกัมภีกัน นั่งท่องพออาาระวจรนะของพระเจ้านั่งไข้ขวรพระวจนะของพระเจ้าเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาไม่ได้สนใจมองว่าใครเป็นใครเขาก้มหน้าก้มตาอาตธก ร, รมของพระเจ้านี่นงครับนี่คือสิ่งที่ประทับใจมากในส่นนี้ครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่านครดาวิดนะครับตะกี้เป็นสุสานกษัตริย์ดาวิดนะครับแต่ตอนนี้เป็นนครดาวิด นครดาวิดนั้นเป็นเนินเขาเล็กๆที่กาตาดาวิดนั้นได้ตั้งให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับโดยที่พระองค์ได้ยึดครองมาจากชาวเยบูสนะครับเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วนะครับเราได้มีโอกาสชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์ของเมืองดาวิดในระบบสามวิสติครับถ่ายทอดความเป็นมาของนครดาวิดที่เริ่มต้นก็คือกรุงเยบูสนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกรุงเยรูซาเล็มครับ แล้วก็เราได้มีโอกาสเดินในอุมโมงค์ส่งน้ำที่สร้างในสมัยของคานาเนสและกษัตริย์เฮเซกิยากษัตริย์เฮเซกิยานั้นได้ให้คนได้ขุดนะครับเพื่อที่จะเป็นสร้างอันอุโมงค์อุโมงส่งน้ำโดยที่ขุดจากทสองทางด้วยกันนะครับคือทางเข้าและทางออกของน้ำและมาเจอกันตรงกลางครับเป็นการขุดที่ค่อนข้างจะเออเสี่ยงนะครับ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีในส ม, มัยโบราณนั้นต้องใช้หูฝังเอานะครับเขาก็มีแบบแปลนอยู่และเขาก็ค่อยๆขุดขับขุดมาจนท่างเจอกันนะครับและก็ทดน้ำจากาบอ่อน้ำพุนะครับคี h o r หรือว่ากีโฮลสป p นะครับและบ่อ น, นั้นก็ได้ทดน้ำแล้วก็น้ำนั้นก็ส่งนะครับส่งมาอุโมงค์น้ำนี้สร้างไว้เพื่อที่จะ เป็นแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําที่จะรับน้ําตามธรรมชาติเพื่อที่หล่อเลี้ยงในเวลาที่กรุงเยลเซมนั้นอยู่ในสงครามครับกษัตริย์เพเซียนั้นเป็นกษัตริย์ที่เฉลียวฉลาดมากและเป็นกษัตริย์ทีหลอกพระเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินตามอุโมงค์นะครับมีอุโมงค์แห้งก็คืออุโมงค์ที่สร้างในสมัยคทัไนิส์นะครับแล้วก็อุโมงค์เปียกก็คืออุโมงค์ที่สร้างในสมัยเฮเฮเพเซียาเมื่อเดินตามอุโมงค์นะคับนั้นไปนะครับ ก็จะไปสิ้นสุดคือไปออกที่สะแห่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าสะซิโลอรัมนะครับซิโลอรัมเป็นสะที่ผู้ลุหิตนั้นต้องมาตักน้ําปีละครั้งเพื่อทําพิธีล้างบนกินบาปให้กับพระเจา้าปอนในเทศกาลอยู่เพิ่งและเป็นที่ที่พระเยซูรักษาชายตาบอดในกําเนิดด้วยในพระธรมปียอนบทที่เก้าก้อนหนึ่งก้อนสเอครับพระเยซูทรงบ้วนน้าลายลงที่พื้นดินแล้วทรงเอาน้ําลายนั้นทําเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด แล้วให้แล้วสั่งให้ไปล้างโครนออกเสื่อที่สะสิลามครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเ ย, ยซูเราได้เดินตามรอยพระบาทพระเ ย, ยซูเดินในอุโมงน้ำจริงนะครับที่เป็นระดับของความแน่นยําถูกต้องที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ออกมาที่สะสิลามครับเรื่องครับสะสิลามนั้นการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับเขาขุดได้แค่เสี้ยวหนึ่งของสะเท่านั้นเอง เพราะที่เหลือส่วนที่เหลือของศาลนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของคนอื่นนะครับซึ่งต่างศาสนาไม่สามารถที่จะขุดออกไปได้น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อัปป ร, รมนะครับสุชายแททดาวิดนครขอนดาวิดครับนอกจากนั้นเราก็ไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งมีความสําคัญมากนั่นคือเชพเพิร์ดฟิลด์นะครับเชพเพิร์ดฟิลด์นั่นก็คือ เป็นทุ่งญยากคนเลี้ยงแก่ครับได้เดินทางไปสู่เบเดเฮนครับการเดินทางไปสู่เบเดเฮนนั้นเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะต้องเสี่ยงอันตรายนิดหน่อยก็คือว่าจะต้องผ่านแดนนะครับความจริงแล้วเมืองเบเดเฮนนั้นอยู่ในเขตปกครองตัวเองของปาเลสไตน์นะครับเป็นเมืองที่เ อ, อมีความสําคัญทางด้านศาสนานะครับในเวลานั้นก็อยู่ในเขตปกครองของปาเลสไตน์ซึ่งไม่ได้รับถือศาสนา แบบเดียวกันกับเราเพื่อนครับถ้าเปิดฟิลนั้นเป็นถ้ำจริงครับนะครับและเป็นโบสถ์อยู่ข้างๆถ้านั้นคําว่าถ้ำจริงนั้นไม่หมายความว่าเป็นถ้าที่พระเยซูได้เอ่อขอโทษครับเป็นถ้ำที่พวกคนเลี้ยงแกะมามาพักอาศัยมาเลี้ยงแกะและนอนอยู่ที่นั่นแต่น่าคาดว่าน่าจะเป็นถ้าที่อยู่แถวๆเดียวกันกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่สองข้อที่แปดพี่น้องครับหลายในท่านคงจะจำพระีบทนี้ได้นะครับว่าในคืนที่เป็นวันประสูติของพระเยซูนั้นมีพวกเลี้ยงแก่นั้นอยู่ในทุ่งนะครับแล้วทสวรร์ก็แบบปรากฏและก็บอกและร้องว่าพระสิริจงมีแต่พระเจ้าในที่สูงสุดนะครับพี่น้องคงจำได้ อัน ท, ที่สุขจงมีแก่มนุษย์ข้ามข้ามการมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านะครับนี่เป็นคําที่ทูตสวรรค์ได้กลวยพรและได้เต่าวาศถึงการทรงบังเกิดของพระเยซูนะครับเราได้วิวการเข้าไปในโบสถ์และเราก็ได้ถ่ายรูปนะครับสามเหตุการณ์เรื่องราวก็คือเรื่องราวแรกทูตสวรรค์มาประกาศข่าวดีเหตุกนาะรณ์ที่สองก็คือ พระเยซูได้รับการนมัส ก, การโดยพวกผู้เลี้ยงแกะในการที่สามก็คือเป็นภาพที่วาดถึงความชื่นชมยินดีของผู้เลี้ยงแกะที่หลังจากกลับมาจากการนมัสการพระเยซูแล้วพี่น้องครับจากสามภาพนี้ทําให้ผมนั้นได้มีเหตุที่ทําให้ขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ต่ําต้อยครับพระเยซูได้บังเกิดในสถานที่ต่ําต้อยเช่นเดียวกัน แต่คนเหล่านี้ได้พบกับพระเยซูก่อนพวกโหราจรผู้มีสติปัญญาพวกผู้โหคจราานั้นเขาต้องใช้วิธีของเขาสติปัญญาของเขาการคำนวณของเขาและการเดินทางของเขาเพื่อที่จะมาพบกับพระเยซูเขามีความเฉลียวฉลาดมากครับพระเจ้าก็ประทานให้ความเฉลียวฉลาดนั้นที่เขาจะใช้เพื่อสแสวงหาพระองค์แต่คนที่ยากจนครับคนที่ไม่มีเออ่อะไร ที่จะเป็นความเฉลียวฉลาดเพราะว่าเขานั้นก็เลี้ยงชักมาในทุกๆยุคทุกสมัยคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่อาจจะด้วยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ให้ความสาคัญกับพวกเขาเช่นเดียวกันครับพระเจ้าได้เห็นความสำคัญของคนยากจนคนที่อยู่ในทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะนั้นพระเจ้าก็ส่งวิธีพิเศษ คือให้ทูตสวรรค์มาประกาศเวาดีเพื่อนับเราเห็นถึงพรอชนะของพระเจ้าต อ, าอนนี้นะครับได้ปรากฏอยู่ในธรรมลู ก, กานะครับบทที่สองข้อที่แปดเรื่อยไปจนถึงจบบทนี้นะแล้วเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงพระบรมนามากกรงไม่ทรงลําเอียงกรงทรงยุดิธรรมแะชอบธรรมเสมอนะรองับคนยากจนเข้าแผ่นดินสวรรค์นะครับแต่คนที่มีเงินเศรษฐีเข้าแผ่นินสวรรค์ก็ยากยิ่งกว่าอูฐ รอดรอดรูเเห็นครับช่วงครับผมพูดถึงอประตูนะครับในเยรูซาเล็มที่เวลากลางคืนนั่นเขาจะต้องปิดประตูเมืองครับแต่มมเจอรมีช่องเล็กๆครับเพื่อที่จะให้อู่นะครับที่พ่อค้าพ่อค้าวานิชได้เอาอ่าสัมภาระต่างๆวางไว้บนลางอู่แต่พอมาถึงประตูนี้ประตูเมืองปิดครับต้องเข้าประตูเล็กครับประตูเล็กก็จะอยู่นะครับเป็น อยู่ในปุตตูเมืองใหญ่นี่แหละครับแต่ว่าต้องเอาของโหลดของลงก่อนแล้วก็ค่อยๆผลักอูดนะครับซึ่งตัวใหญ่นะครับเข้าไปในช่องเล็กที่เดียวครับมันก็ยากครับที่อูดจะรอดจากตูเข็มหรือรูเข็มนี้นี่<ด>นะครั บ, รบเราเห็นว่าคนที่ร่ารวยคนที่มั่ ง, งคั่งกับการที่เขาจะมามอกชีวิตถวายให้กับพระเจ้าในการที่เขาจะได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้า ในการที่เราจะเขาจะมีโอกาสเข้าไป่นินสวรรค์นั้นก็ยากครับแต่สำหรับคนยากจนครับง่ายครับเพราะอะไรครับง่ายกว่าครับเพราะเขากินใจมากกว่าเขาไม่มีทรัพย์สมบัติในโลกนี้คอยร่อลวงเขาและเขาติดดินเขามีความผอมใจครับและเขาแสวงหาพระเจ้าแต่เมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเจนาของพระเจ้ามาถึงเขาเขาตอบสนองด้วยความชื่นชมินดีนะครับนั่นหมายความว่า พระเจ้าได้ทรงดูแลคนยากจนพระองค์ได้ทรงห่วงใยคนยากจนพรงได้ทรงสอนพวกเราให้เราห่วงใยดูแลคนยากจนเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นไปถึงจุดไฮไลท์ครับของวันนี้ก็คือ Church of Nativity Church of Nativity นะครับเขาสร้างครอบสถานที่ประสูติของพระเยซูเป็นสถานที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้รอดพ้นจากการถูกทําลายของพวก ผู้ครอบครองต่างชาติแล้วชาติเราตลอดพันหกร้อยปีที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือเป็นโบสถ์ที่น่ลึกถึงการประชุดของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าครับในปีนี้นะครับการเดินทางเข้าสู่โบสถ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับเปรียบเทียบ ก, กับปีก่อนๆนั้นจะต้องต่อคิวยาวมากครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครั้งนี้เราต่อคิวไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ และเราก็ไมด้มีโอกาสไปชมอุโมงค์ที่พบกะโหลกศีรษะเด็กมากมายซึ่งเป็นหลักฐานที่กษัตริย์เอโรสสั่งฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายตั้งแต่อายุสองขวบลงมาเราได้มีโอกาสอธิษฐานกันนะครับเราได้มีโอกาสที่ได้ล้ำลึกถึงสิ่งต่างที่พระเยซูได้ทรงกระทําการมรเกิดของพระเยซูมาในฐานะต่ําต้อยที่บ้านเบรเลห์มการที่พระเยซูได้ทรงสั่งสอนชีวิตของพระองค์ให้กับสาวก คำสอนของพระองค์ที่รับจากพระบิดาพระองค์ก็ถ่ายทอดกับสาวกและบอกสาวกว่าถ้าใครก็ตามเห็นพระองค์เท่ากับเห็นพระบิดาใครก็ตามที่รักษาบัญญัติของพระองค์ก็เท่ากับรกักษาคำบัญญัติของพระบิดาพี่รองครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบพระเจ้าไว้พรพี่น้องแท้ทุกท่านครับในการที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าครับตามรอยพระบาทพระเยซูให้คนอื่นได้มองเห็นชีวิตของพระเยซูเกิดขึ้นจริงๆในการกระทำในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราครับ อาเมน